ทีนี้ต่อไปก็จะเข้าเรื่องที่เราเรียนด้วยพอดีเลย น, นะถือว่าพร้อมกันเลยนะเข้าขันธบั พ, พะพร้อมกันเลยนะเบ็ดเตล็ดเลยคือ <c oughs> ในสติปัฏฐานเนี่ยมี4ประการใช่ไหมคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและ รรมานุปัสสนาสติปทานเนี่ยนะ blender. ข้อปฏิบัติคือสติปทานทั้งหลายเหล่านี้ น, นะถามว่ากายานุปัสสนาสติปทานมีจุดประสงค์ artif? อะไรเนี่ยนะจุดประสงค์ของกายานุปัสสนาสติปทานก็คือการละโสภาวิปลาจุดประสงค์ของการแสดงเวทนานุปัสสนาสติปทานก็เพื่อละสุขาวิปลาจการ แสดงถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพื่อละอะไรนิจจาวิปปะลาศการแสดงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพื่อละอตตะวิปปะลาศเนี่ยจริงๆมันก็ละทั้ง4ี่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ถ้าแยกให้มันเด่นเดนชัดๆเลยนะวิปปะลาศแปล ว, ว่าความคลาดเคลื่อนไอ้ตัววิปปะลาศจริงๆเนี่ยจากจิตก็ได้จากสัญญาก็ได้จาก ทิิก็ได้จิตก็คือคิดสัญญาก็คือสำคัญหรือจำก็ได้นะสำคัญทิิก็คือเห็นเห็นเอ่อคิดคลาดเคลื่อนสาคัญคลาดเคลื่อนเห็นคลาดเคลื่อนว่างามว่าสุขว่าเที่ยงว่าอัตตาเีย น, นะไอความวิปลาดแปลว่าความคลาดเคลื่อน ก็วิปลาดคืออะไรคือวิปริตท่านเวลาอัตกถาท่านบอกว่าวิปลาดดีกาท่านก็วิเคราะห์ว่าวิปริตะอย่างไทยๆเราก็เลยเรียกว่านิยมทับศัพท์เรียกว่าวิปริตแปรปรวนก็ว่าไปทีนี้ในกายานุปัสนาสติปฐานสิ่งที่พระผู้มีประภาคจําแนกพระองค์จําแนกอะไรกายนะ ถ้าว่าโดยขันพระองค์ก็จําแนกรูปปะขันเวทนานุปัสสนาก็เน้นจําแนกเวทนาขันจิตานุปัสสนาก็จําแนกวิญญาณขันธรรมานุปัสสนาก็แยกทั้งสัญญาขันกับสังขารขันนั่นเลยถ้ากล่าวโดยบับพพะ กายานุปัสนาแสดงอยู่ทั้งหมดสิบี่บัพเพาเวทนาขันเนี่ยนับหนึ่งบัพเพาแต่แสดงเวทนาเก้าส่วนจิตนี้นับหนึ่งบัพเพาแต่พระองค์จําแนกจิตสิบหส่วนธรรมานุปัสนาเนี่ยนะพระองค์จําแนกเอาไว้ห้าทีนี้คําว่าธรรมะธรรมะสับธรรมะสับตัวนี้ที่เรียกว่าธรรมานุปัสนาเนี่ยหมายหมายคำว่ายังไง ก็บอกหมายถึงว่าถ้านิโวนบับพพระเป็นอะไรธรรมะเป็นปหาตัพพระธรรมะคือนิโวลนี้เป็นธรม ร, นนะธรมะที่ควรละนี่นะธรรมะที่ควรละส่วนขันอายะตะนะอันนี้ก็เป็นปริญญา หรือปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรเข้าไปไปรอบรู้เนี่ยนะส่วนโพชงโพชงนั้นเป็นภาเวตพภะเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรเจริญส่วนอริยสัจสี่อริยสัจสี่นะอย่างเช่นทุกขสัจเป็นเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควร กำหนดรส่วนสมุทยัยสัจจะก็เป็นปหาตประธรรมนะส่วนมัคคสัจจะก็เป็นภาเวตประธรรมส่วนนิโรธสัจจะก็เพิ่มพิเศษอีกอนะ น, นิโรธสัจจะเป็นสัชิกาตประธรรมคือเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้ ง, งนีนะอันนี้คือความหมายของคําว่าธรรมะ แต่ก็มีหลายนายอะนะแต่นี่ยกมาหนึ่งนายให้เห็นก็หลายนายถามว่ามีไหนๆบ้างก็นายแบบที่เราเรียนไปแล้วนั่นแหละทีนี้ต่อไปว่าถ้ากล่าวโดยขันนะนะกล่าวโดยขันคือกายานุปัสนาสติปทานก็คือรูปประขันนันนะ จุดประสงค์สําคัญที่สุดของการเจริญกายานุปัสนาสติปฐานก็เพื่อละสุภาพวิปลาสวันวันอาทิตย์นั่งคุยกับชื่อคุณวีระใช่ไหมมีไห ม, มน้องเคยพูดกันนะชื่ออะไรนะี่อ๋ีระอ่านั่นแหละก็คุยกันว่าเขาถามว่ากายานุปัสนาสติปทานเนี่ย เราจะเจริญบัพพะใดบัพพะหนึ่งได้ไหมไห น, น, อ น, น, อ น, นลองถามนักนเรียนในห้องเราห่อนะได้รับเหตุผลอย่างที่อธิบายมาแล้วถามว่ากายานุปัสนาสติปทานเจริญบัพพะเดียวพอไหมไม่พอ อ, อคือถ้าบัพพะเดียวเนี่ยนะเพียงพอไม่ที่จะละสุภาพวิปลาสวัตถุประสงค์เพื่อละสุภาพวิปลาสใช่ไหม ถามว่าบัพพาเดียวนี้พอไม่เพื่อที่จะละสุภาพวิปลาสคือวัตถุประสงค์ของการพูดถึงกายคือรูปประขันก็เพื่อละสุภาพวิปลาสจริงๆทั้ง14บบัพพาคืออะไรก็คือการพูดถึงชีวิตในขั้นตอนต่างๆนั่นเองนะเพียงแต่ ว, ว่าจริงๆอ่ะทั้งหมดคือความเป็นไปของรูปประขันตั้งแต่หายใจเข้าจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเท่านะั้นนะ จริงๆมันก็คือชีวิตที่เป็นไปอย่างอย่างตลอดสายทีนี้ถ้าเราตั้งคำถามว่าคำว่ารูปประขันนี่มันคืออะไรนะก็ต้องมาแยกสับก่อนใช่ไหมว่าคำว่ารูปอันนี้บอกเอ่ยว่าเลยว่าตอนนี้เท่ากับพูดขันทบัพระไปด้วยในตัวนะคำว่ารูปอันนะมีอยู่ กล่าวสองอย่างเขาเรียกว่าโดยสภาวะเนี่ยนะคำว่ารูปเนี่ยโดยสภาวะแบ่งออกเป็นสองคื อ, อรูปปันณนะสภาวะของรูปทั้งหมดคือรูปปันณนะใช่ไหมแปลว่าเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยทั้งหลายมีเย็นร้อนเป็นต้นเนี่ยนะ นั่งรถมาบอกแม่ไอร่างกายอันนี้มันภาระมากบริหารแม่มันร้อนก็บริหา ร, ร, บบ ร, หารให้มันเย็นเย็นก็ บ, บริหารให้มันร้อนแล้วมันเย็นมันร้อนสลับกันเดี๋ยวก็ตายอย่างนันเพราะฉะนั้นสรุปว่ามันบริหารมากแต่ในที่สุดนะบริหารยังไงก็ก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นคํามารูปโดยสับแปล ว, ว่าสลายนะนี่สลายสลา ย, สลายเพราะปัจจัยโดยประการต่างๆนั่นเ ยกตัวอย่างเย็นร้อนเนี่ยนะไอ้ที่เกินไปจากเย็นร้อนก็สัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดอ่นนะหรือจากอย่างอื่นอีกจิปาถะแต่ว่าจากปัจจัยที่มาทำให้มันเสียหายอันนะี้กับอีกในหนึ่งก็คืออ่นนะจากขวาทิรูปารา น, นะรัมมนาทิก็คือ ถ้าว่าโดยอายตนาก็มีจักูุเป็นต้นใช่ไหมโดยอายตนาภายในนะก็เป็นสภาวะของรูปเหมือนกันหรือถ้ากล่าวโดยอารมณ์ก็มีรูปเป็นต้นรูปอารมณ์เป็นต้นแต่จริงๆพวกนี้ก็คือก็คือรูปอีกอยู่ดีแต่ว่ารูปทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นถ้าจะย่นย่อลงไปอีกคืออะไรนะคำว่าย่นย่อในที่นี้แปลว่าพูดโดยการ จำแนกเมื่อกี้พูดโดยสภาวะต่อไปโดยวิภากจำแนกนี้แปลมาจากคาว่าวิภากถ้าจะไม่วิภาก ค, คือพาคาบแปล ว, ว่าส่วนวิปแปล ว, ว่าแจ้งนะทำให้แจ้งมาผ่าผ่ า, าดูมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าตรงๆแล้วก็คือมหาพูดสี่ประการนะมหาพูด4ี่ประการมหาพูดก็คือรูปที่เป็นใหญ่และก็เป็นประธาน ที่เรียนจตุธาตัววัฏฐานนี่ชอบศัพท์ไหนมากวิเคราะห์มหาพูดโดยศัพท์ไหนมหาวิการหรือว่ามหาผีมหาผีผู้หญิงมหาผีผู้ชายอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ทั้งหมดนั้นคือวิเคราะห์คําว่ามหาพูดเนี่ยนะที่ที่เรียนธาตุสีนะในในจตุธาตัววัฏฐานทีนี้มหาพูดถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะ ตัวของมหาพูดเองไม่มีสีกลิ่นรสอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็มีปัทวีอาโปเตโชและวาโยปัทวีนี้แบ่งออกเป็น2อคือภายในกับภายนอกอน น, น้อาโปก็มี2คือภายในกับภายนอกเตโชก็มี2ภายในกับภายนอกวาโยก็มี2คือภายในกับภายนอก สรุปว่ า, าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมาธาตุไฟเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคือที่เป็นภายในกับภายนอกคําว่าภายในก็คือนับเนื่องในสิ่งมีชีวิตภายนอกก็คือไม่นับเนื่องในสิ่งมีชีวิตเนี่ยในในทีนี้หมายว่าในสิ่งมีชีวิตนอกคือนอกสิ่งมีมีชีวิตทีนี้ถามว่าที่เราติดเนี่ยภายในสิ่งมีชีวิตหรือน่าข้างนอกมากกว่ากัน ก็ติดข้างในมากกว่าเอานะถ้าถ้ากล่าวแบบนี้ถามง่ายๆว่าจักสุบวกกับรูปเกิดการเห็นขึ้นมาตั้งคำถามว่าตากับสีจริงๆอะเรารักอะไรมากกว่ากันรักตามากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะเรารักสิ่งมีชีวิตมากกว่าโดยเฉพาะภายในตัวเราเองนนะ ทีนี้วัตถุประสงค์ของคาสอนนี่ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเพื่อละราคะโทสะโมหะใช่ไหมซึ่งวันก่อนได้พูดถึงเนติประกรณ์ น, นะว่าการพูดถึงธรรมะนะต้องเอามามาลงในลงในสูตรเนี่ยนะลงในวินัยใส่ลงในธรรมดาให้ได้จึงจะเป็นการศึกษาคำสอนถ้าไม่เป็นไปตามนี้ไม่ใช่คำสอน นะคือต้องจัดลงในสูตรสูตรคืออะไรคืออริยสัจเนีย่ยนะใส่ลงในวินัยคื อ, อไรราคะวินยัยโทสะวินยัยโมหะวินยัยวินัยแปลว่ากำจัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดต้องเป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะแล้วใส่ลงไปในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทเนีย่ยนะก็มองให้เป็นธรรมดาคือต้องเห็นเป็น ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเพราะนั้นการกล่าวธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นที่นี้การพูดถึงมหาพูดทั้งหลายก็ต้องมาพูดถึงว่าในมหาพูดทั้งภายในกับภายนอกกิเลสเราเกิดกับมหาพูดชนิดไหนมากกว่ากันก็ภายในอย่างที่ว่านะภายในอย่างที่ว่าเฉพาะมหาพูดคือธาตุดินเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมก็ผมคนเลบฟันนั้ง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทางผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าและก็มันสมองเนี่ยนะก็เป็นปฐวีธาตุที่สิบนะส่วนปิดตังเสมหังปุปโปโลหิตังเสโทโมเมโทอสุวาสาเคโลสิงคานิกาลสิกามุตตังเนี่ยนะนะก็เป็นธาตุน้ำพวกธาตุน้ำมี12ก็คือนับตั้งแต่น้าดีน้ำนะนะ ปิตังน้ําดีเนี่ยนะเสมหังเสมหะนะน้ำเลือดน้ําเหงือน้ํามันข้นน้ํามันเลีวน้ําไข่ขอน้ําตาน้ําลายน้ํามูกน้ำปัสสาวะเนี่ยพวกน้ําเหล่านี้ถ้าเทียบกันน้ําภายนอกเราห่วงน้ําภายในมากกว่าใช่ไหมหมดน้ําภายนอกสักตุ่มหนึ่งไม่เสียใจเท่ากับหมดเลือดไปหยดหนึ่งอะไรเงี้ยเลยึดติดภายในมากทีนี้เตโชธาต ภายนอกกับภายในก็ติดในเตโชาธาต์ภายในซึ่งมีสี่ประการส่วนวาโยาธาตทั้งหมดมีมีหกนะที่เป็นภายในนะก็มีหกประการอันนี้พูดที่เรายึดติดนะไอนน้ที่เราไม่ค่อยยึดนี่ก็ก็ไม่ค่อยพูดถึงเห็นไนะเน้นเพราะว่าจุดประสงค์ก็เพื่อกําจัดราคะโทสะและโมหะทีนี้การกําจัดราคะนั้นราคะเกิดที่ไหนมากก็ต้องกําจัดที่นั่น เนี่ยนะที่จรณาในวัตถุนั้นเพื่อที่จะได้กาจัดราคาจากสิ่งนั้นทีนี้ในบรรดาา่าทั้งหลายเหล่านี้ถ้าบวกกันไปแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่อันนะสี่สิบสองใช่ไหมสี่สิบสองทีนี้ในบรรดาท่าทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะหลายหลายแห่งทำไม ทำไมจึงใช้คำว่าอุปาทายรูปเฉยๆ น, นะอุปาทาอนนะอุปาทารูปบางในก็มียะด้วยบางในไม่มียะถูกทั้งคู่เนีย่ยนะอุปาทารูปกับอุปาทายรูปเนีย่ยนะไม่ต่างกันเอ่อทำไมไม่จำกัดตัวเลขลงไปเนะนี่ยนะในในพุทธพจน์นะบอกตัวเลขลงไปไหมไม่บอกทำไมจึงไม่บอกก็ในผมมันมีอุปาทายรูปจำกัด เนี่ยนะเช่นในผมมันมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเนี่ยนะถ้ามีกรรมเป็นสมุทฐานก็มีชีวิตรูปด้วยเนี่ยนะหรืออาจจะมีภาวะรูปแต่ถามว่าในเส้นผมมีจกักรคูภาษาท่าโสตะคาณนะชิวหาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคือท่านเจียงพูดว่ามันต้องสมควรแก่มหาพูดนั้นๆเนี่ยนะแล้วแต่มหาพูดนั้นๆั้นเนี่ยนะแล้วแต่มหาพูด20ใช่ เช่นแล้วแต่ปัทวี20แล้วแต่อาโป12แล้วแต่เตโชสแล้วแต่วายโยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้อุปาทายรูปคือสีของทั้ง42อย่างก็ไม่มีเหมือนกันสักอย่างเลยใช่ไหมสีก็แตกต่างกันกลิ่นก็แตกต่างกันรสก็แตกต่างกันโอชาก็แตกต่างกันเพรา ะ, ะอุปาทายรูปจะสมควรแก่วัตถุนั้นๆเนี่ยนะก็เช่นผมก็ อุปาทายรูปของผมก็อย่างหนึ่งขนเนี่ยอุปาทายรูปของขนก็อย่างหนึ่งเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็มีรูปที่อาศัยคนละอย่างคนละอย่างกันไปทีนี้ในบรรดามหาพูดทั้งหลายถ้าเราลองมาไล่ท่าลมนะท่าลมมีหกหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้อที่หคือธาตุลมอะไรไไ น, นะโอ้แม่นนะลมหายใจ น, นะก็แบ่งเป็นสองใช่ไหมเข้ากับออกกายานุปัสนาสติปฐานจุดประสงค์เพื่ออะไรนะเพื่อละสุภาพวิปลาสพระพุทธเจ้าเอาลมหายใจเข้าออกเนี่ยมาเป็นบับพพระแรกเนี่ยในการแสดง ถามว่าด้วยเหตุผลใดกันนะก็สามารถคิดได้หลายอย่างด้วยกันว่าอาจจะเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเจริญแล้วทำให้พระองค์บรรลุก็ได้ น, นะหรือเป็นอารมณ์ของมหาบุรุษก็ได้นะอันนี้ตามหลักฐานแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นหรือเปล่านี้ก็ก็คนกันต่อไปอนนะแต่ว่าทำไมจึงเอาลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะในบรรดาท่าทั้งหมดขึ้นมาเป็นบับพพแรกในบรรดา14บบัพพเนี่ยนะ ก็เอาลมขึ้นมาก่อนรู้เรื่องลมอย่างเดียวเนี่ยพอไหมที่จะละวิปัาสนถ้ารู้จริงมันก็พอละแต่นะเพราะว่าลมมันก็เกี่ยวข้องกับร่างกายทั้งหมดอยู่แล้วลมมันก็คือถ้าลมที่มันสูบเข้ามาหล่อเลี้ยงกายทั้งหมดอยู่แล้วถ้าลมหายใจไม่ไม่มีอ่ะนะร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็อาศัยลมเหมนะแต่ถ้ารู้จริงเรื่องลมที่มันมันหายเข้าไปแล้วไอ้ลมเนี่ยมันมันสูบเข้าไปยังไงอ่ะนะก็ก็ละได้ละว่างั้นเถอะแต่ว่า แต่ถ้ารู้เฉพาะตัวลมเฉยๆเนี่ยไม่พอแน่นอนเพราะอะไรเพราะการพิจารณาลมนะองค์ประกอบที่ทำให้ลมเข้ามีอะไรบ้างหนึ่งอันนั้นร่างกายถ้าไม่มีร่างกายลมหายใจจะเกิดได้ไหมไม่ได้ข้อสองะไรทางเดินของลมใชม่พูดรวมๆนะว่าทางเดินของลมอนน้ข้อที่สาม ทั้งหมดเนี่ยคือเหตุเกิดของลมเอ่ น, นะสมุไทยของลมก็ไนดะ้ใช่นะมคำว่าเหตุเกิดในที่นี้บากบาลีว่าสมุทยัสมุไทยสมุทยังค่ะ น, นะสมุทยะธรร ม, มานุปัสสีวะเหตุเกิดของลมแต่ว่าตรงๆแล้วมันจิตเป็นสมุฐาน แต่ถ้าปอดอักเสบนะมีจิตนี่มันหายใจได้ไหมอ่า น, นะคือตัวตัวกายนะเช่นซี่โครงมันดอดไปตั้งสิบซี่อย่างเงี้ยนะหายใจไหวไหมอย่างเงี้ยนะหรือพังผืดมันเอขออภัยกระบังลมมันเกิดรั่วขึ้นมาเนี่ยนะหายใจได้ไหมอย่างเงี้ยนะมันก็เกี่ยวเนื่องกับโครงร่างกายตั้งตั้งหลายส่วนใช่ไหมไอการหายใจเข้าออกนั่นะหรือมันถามว่า ไอตัวที่หุ้มหุ้มุมหุมช่องทางเดินลมทั้งหมดเนี่ยทำอะไรก็คือพังผืดป่ะ น, นะตั้งแต่รูจมูกเข้าไปเลยนะที่มันหุ้มก็คือทับกลุ่มพังผืดใช่ไหมถ้าพังผืดเหล่านั้นเสียหายมันจะหายใจได้ไหมหรือมันเกิดอยู่ๆมันบวมแล้วมาตีทางเดินของลมอันทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นเหตุของของลมทั้งหมดแต่ว่าลมเนี่ยตัวที่ตั้งให้เกิดลมจริงๆคือจิตถ้ารู้เรื่องลมจริงๆอย่างตลอดสายก็ต้องรู้หึ ร่างกายสองทางเดินลมแล้วก็สามจิตมันก็เท่ากับรู้ขันท่ามหมดแล้วนะที่เป็นสมุดฐานนะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้พูดถึงความเกิดของทางเดินของลมหายใจเข้าออกรู้ว่านี่นะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเหตุเกิดของลมถ้าสิ่งเหล่านี้แตกทาลายลมจะเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไม่ได้เนี่ยนะเช่นถ้าร่างกายเสียหายก็ไม่มีลม จมูกตีบจมูกตันก็หายใจไม่ออกหรือปอดถูกตัดทิ้งไปก็หายใจไม่ได้หรือจิตไม่มีเนี่ยนะหรือจิตมันดับก็หายใจไม่ได้อยู่แล้วการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาวยธรรมานุปัสสีวานีนะว่าความดับของลมเพราะอะไรดับลมจึงดับก็เช่นร่างกายเสียหายทางเดินลมหายใจเสียหรือหมดจิตะนะถ้าปัจจัยเหล่านี้ไม่มีลมหายใจเข้าออกก็ก็มีไม่ได้ น่าคิดว่าบัพพา this มีอยู่บัพพาเดียวที่พูดถึงเหตุเกิดกับความดับต่างจากบัพพาอื่นบัพพาอื่นนั้นเหตุเกิดของของของรูปนั้นนั้นนะเช่นอิริยาบถบัพพาบอกว่าอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพัติลักษณะของรูปแต่พอบัพพานี้บอกอย่างนี้จะต่างจากบัพพะอื่นแสดงว่าบัพพานี้เนี่ย จะต้องไปรอบรู้ในเรื่องอื่นอีกอย่างมากเนยนะแต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เจริญอาณาปานาสติเนี่ยนะไม่ใช่อยู่แค่ลมแล้วปิ้งขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่นะหลังจากกําหนดลมหายใจเข้าออกเสร็จทําไงต่อรละลึกชาติถามเอาหลังจากระลึกชาติทําอะไรพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายหลังจากพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตาย แทงตลอดประติจจะสมุบาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่กับลมแล้วบรรลุผางขึ้นมาอะไรไม่ใช่หรอกเนี่ยนะเพราะาพิจารณาอีกตั้งมากมายเนี่ยนะจึงคู่ควรแก่การบรรลุเป็นพระผู้เธอเนี่ยนะไม่ใช่ว่าลมมันเกิดขาดกึกขึ้นมาแล้วก็บรรลุผางขึ้นมาเลยนะสว่างโรั้งงั้นก็ลืมตาแล้วก เ, เปิดไฟด้วยเนนะอนนะข้อแรกบัพพาที่หนึ่งคือ อันนี้บัพภาที่หนึ่งนะเขียนเป็นตัวไทยนะจะได้ต่างกันไว้ก่อนบัพภาที่สองคืออะไรเอริยาบทบัพภาเอริยาบทบัพพาเนี่ยนะในบรรดาธาตุทั้งสี่สิบสองเนี่ยนะตัวไหนเป็นหลักของของการใหเอริยาบทเกิดขึ้นอนนะตัวไหนเป็นหลักวายโยธาแล้ววายโยธามีทั้งหกเนี่ยนะเอากลุ่มไหน กนะิตชาวาโยจิตชาวายโยเนี่ยนะมีหลายกลุ่มด้วยกันนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งวายโยธ า, านะลมพัดขึ้นบนอย่างหนึ่งอย่างที่สองลงพัดลมพัดลงล่างอย่างที่สามในท้องเนี่ยนะช่องท้องในที่สี่ะนะลำไส้ ที่ห้าก็คือทั่วสาระพางกายอ น, นสารพางกายคุณเริสาบอกเขาเขียนอย่างนี้เขาว่าสันพางกายไปอว่า้ะไปเขาบอกเขียนอย่างนี้เขาาก็บอกเออมันถูกทั้งคู่นั่นแหละอันไหนถูกอาจารย์เกศสอน อ๋อยังเรียนยังไม่ถึงมีอย่างนี้เขาก็เขียนมีไหมเงี้ยแต่สารพางกายเนี่ยพระไตรปิฎกที่เราเรียนกันใช้ใช้อักษรพิมพ์แบบนี้นะเพราะลมที่พัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะลมพัดทั่วสารพางกายจริงๆแล้วอะ่ะ เ, เขาทําไปทํากิจหลายเรื่องเนี่ยนะนะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงก็คือตัวที่ทําให้ ปฐวีอาปโปเตโชวาโยที่เราเรียกว่าร่างกายเนี่ยนะเกิดการเดินยืนนั่งนอนเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่เรายกมาคือที่เรียกว่าจิตตะชาวาโยธาเ น, นี่ยนะ ลมพัดทั่วสารพางกายคือกลุ่มจิตตะชาวายโยท่านงั้นผู้ที่พิจารณาอิริยาบถ ท, ทั้งหลาย ย, าลย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าบัพพะนี้เพื่อละสุภะวิปราชพิจารณาอิริยาบถยังไงมึงยังจะละสุภะวิปราชได้อะนนะีแต่ไม่ไม่ทำนานานะจริงๆไอ้เขาประกวด อันนะั้นเรื่องงามๆทั้งหลายเขาประกวดนี่อิรยาบทนี่แหละ น, นะถามว่าไปไปไปเพ่งยังไงอ่ะ น, นะไปคิดยังไงมันจริงแต่พอละวิปลาสได้ถ้าละวิปลาสได้ถือว่าตรงวัตถุประสงค์ถ้าไปจดจ้องหรือไปทํำยังไงก็ช่างอยู่กับยืนเดินนั่งนอนอ่ะ น, นะแล้วมันละวิปลาสอะไรไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่พูด น, นะนี่อันนี้คือ บัพพะที่ที่สองทีงนี้ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าถามว่าทำไมจึงต่อด้วยอิริยาบทบัพพะ น, นะถ้าตั้งคำถามว่าบัพพะที่หนึ่งนี่ขึ้นต้นด้วยลมหายใจเข้าออกเลยแล้วทำไมบัพพะที่สองจึงต่อด้วยยืนเดินนั่งนอนอิริยาบทบัพพะนี่ใ น, ในคำพี์ว่าอนนะ ไปสู่ป่าสู่โคลนไม้ยสู่เรือนว่างนั่งโคบลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยนะก็ท่านพระองบอกว่าตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคือนั่งเพราะฉะนั้นไอ้กำหนดลมหายใจเข้าออกพระองค์แสดงในอิรียว่าในอิรียบทนั่งถามว่ามีใครนั่งได้ตลอดขนาดนั้นไม่ไปยืนไปเดินบ้างหรื อ, อยังไงเพราะฉะนั้นจึงต่อด้วยอิริยาบทนะ พอนั่งไปพักหนึ่งเนี่ยนะพิจารณาไปยังไงเสียก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในอิริยาบถเดียวได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นก็ขึ้นด้วยบัพเพาที่สองคืออิริยาบถมียืนเดินนั่งนอนเป็นต้นทีนี้ถามว่าถ้ายืนเดินนั่งนอนแล้วนะทำไมจึงต่อด้วยสัมปชัญญะบัพเพา ตัวสติปทานจริงๆนะให้รู้ว่าอาสัมโมหะสัมปชาัญญะอันเดียวนะที่ที่เป็นสติปทานเพราะว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็มีขาไปกับขามาอภิกันเตปฏิกันเตนะมีการไปและการการม า, านะทั้งทั้งสี่เรียบบทใช่ไหมเดินไปเดินมาไม่สงสัยถ้ายืนยืนไปยืนมานะก็อาจจะก้มนิดหนึ่งแล้วหงายมันหน่อยอะไรนีก็เรียวกว่าไปมาเหมือนกันถ้านั่งอ่ะ ก็ผุดลุกผุดนั่งมั้งเนาะถ้านอนอะ่ะก็นอนพลิกไปพลิกมากันแล้วกันให้รู้ว่าในอิริยาบทสี่ก็มีคำว่าไปมาอยู่ทีนี้เมื่อไปมาแล้วของเราไม่ใช่คนตาบอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแลเหลียวแลนี่แปลว่ามองตรงๆเหลียวนี่แปลว่าหันซ้ายหันขวาขนาดไทยยังต้องแปลไทยอีกทีนี้พอแลเหลียวแล้ว สมมติถ้าทะเลเห็นน้ำตาลละจะทำยังไงก็ต้องจับไปก่อนใช่ไหมก็เหยียดเหยียดออกไปก่อนนะเหยียดอย่างเดียวดื่มไม่ได้มันต้องคูออกมาเห็นไหมเหยียดคูแต่ถ้าเหยียดคูว่าโดยรวมๆเหยียดคูไปทำไมก็เหยียดคูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนุ่งผ้าบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องผ้าทั้งหลายถ้าเป็นพระก็เกี่ยวเรื่องบาตรของโยมก็เกี่ยวกับเรื่อง ภาชนะภาชนะเหล่านี้เอามาเพื่ออะไรนะะว่าโดยรวมๆก็กินดื่มเคี้ยวลิ้มพอทานเสร็จก็สูตรนะห้องน้ำพอห้องน้ำเสร็จก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแต่ทั้งหมดนี้ยังนับเนื่องในจิตชาวาโยอยู่ดี ตั้งแต่การไปการมานี่ก็จิตชาวายโยใช่ั้ยตั้งแต่การลืมตาขึ้นนะที่ลืมตานี้ก็จิตชาวายโยนะทำให้ลืมตาแต่ที่เห็นนี้เป็นอ่าเป็นทวารอื่นไปละถ้าเหยียดคั่วก็จิตชาวาโยอีกนั่นแหละถ้านุ่งการนุ่งการห่มทั้งหลายก็เป็นจิตชาวาโย ο. การเคี้ยวการกลืนการขับถ่ายออกไปก็เป็น จิตชาวายโยซึ่งบวกกับวายโยอื่นๆด้วยเช่นลมพัดลงลมในท้องในลําไส้นะเกี่ยวข้องในระหว่างการย่อยเป็นต้นทีนี้ถ้าเข้าห้องน้ำนะคับทายอุจาระก็จิตชาวายโยอีกนั่นแหละ อ, นะอิรียบดเบตเตอรเลตทั่วไปก็จิตชาวายโยเท่านั้นหลยนะเพราะฉะนั้นโดยมากเกี่ยวข้องกับวายโยธาเกือบเกือบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะ อ, นนอันนี้เท่ากับพูดอย่างนี้เนี่ยพระองค์จาแนกไปกี่บับพระละสามบับพระและ้วย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าบับพระนี้เพื่อละสุภาพิปราดเจริญไปอย่างนี้แล้วมันยังละไม่ได้ทำยังไงถ้าเจริญมาขนาดนี้ยังมันยังละสุภาพิปราดไม่ได้ทำยังไงเอาอย่างนี้นะไอ้ที่คุณติดมันติดอะไรกันไหมติดเนื้อนหนังใช่ไหมก็ไปสาธยาย ปฏิกูลมนัสิการปฏิกูลนี่ที่ไหนเกสาโรมานะคะทันตาตโจอ่ะนะพิจารณากายนี่แหละเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเนี่ยนะก็พิจารณาร่างกายนี้โดยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ที่สี่นะนะเจินพรปฏิกูลมนัสิการเป็นบัพพาที่สี่นไ สัมปชัญญะเป็นบับภาาที่สามเพราะฉะนั้นก็กแยกแยะให้มันเป็นพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของปฏิกูลนะปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสและโดยประเชเพะบับผ้านี้นี่โอ้โหพูดมากตั้งท่เรียกทเราเรียกว่าอาการ32เนี่ยเนยเอามาทั้ง32เลยก่อนหน้านี้ขึ้นวายโยแล้วมาเข้าอาการ32พิจารณาให้ใหละเอียด แต่ขนาดนั้นก็ยังละวิปลาสได้ไม่มากนะัพกพระองค์ก็แบ่งให้แบ่งพวกนี้โดยความเป็นธาตุอันนี้เป็นแบบภาคที่เท่าไรที่5อันน้ก็ถือว่าละวิปลาสการพิจารณาในสิ่งมีชีวิตมีเท่านี้